Book 2 3ส39สิบเก้าเสรถเสียเกือบเรียกตัวรถถปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะว่าร์อีสตีฟองเกน์บ a ยางรถของดิฉันแบนค่ะแอคเ e t ต e Pop b a n นเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะ Kan i t ท ja ี่วิ e เฟอร์อันเดอิฉันอยากได้น้ำมันดีเซล 2-3 งสามลิตรค่ะแอคเ e t ต e ร์ปอ r ์ลิทเ s อร์ดีเซลนัวดักดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะ Ek het nie meer brandstof nie k ี่คุณมีแก๊ลอนน้ำมันไหมคะเฮ b r a ี d s ่ o f kan? d i สตูฟกันดิฉันจะโทรสารได้ที่ไหนคะวอร์ a ันเอ็กเอ่อโอปรุกม t กดิฉันต้องการรถลากค่ะเอ็กเะ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 ให้ไอ้เอ็มบิลเลตัลฟูนบายอีเราต้องการความช่วยเหลือค่ะโอ้สิทูปนูเอร์ตามหมอให้ทีค่ะเบลล์ด็อกเตอร์เรียกตำรวจให้ทีค่ะเบลล์ดีพูลิซีขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ อิปปิราอับลิฟขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะอิเลเซนซีอัสบลิฟขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะอิเรกสรอซีอัสบลิฟ